จิ ต, ตวักหมวดว่าด้วยการฝึกจิตหนึ่งเมคิยะเทรวัตถุเรื่องพระเมคิยเทระพระผู้มีพระภาคตรัพะคฐานี้แก่พระเมคิยะเทระดังนี้จิตที่ดิ้นรนขัดแกวงรักษายากห้ามยากผู้มีปัญญาสามารถควบคุมให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้น จิตนี้ย่อมดิ้นรนไปมาเหมือนปลาที่ถูกยกขึ้นจากน้ำโยนไปบนบกฉะนั้นดังนั้นผู้มีปัญญาจึงควรละบวงแห่งมาน 2. อ, อัญญะตะพิขุวัตถุเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรับพระคาถานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้การฝึกจิตที่ควบคุมได้ยากเปลี่ยนแปลงง่าย ช่อไฟหาแต่อารมณ์ที่ปรารถนาจัดว่าเป็นความดีเพราะจิตที่ฝึกแล้วย่อมนำสุขมาให้ 3. อุ ก, กันฑิ ก, กะพิกขุวัตุเรื่องภิกษุผู้กระสันจะศึกพระผู้มีพระภาคตรัสรัถานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่งผู้กระสันจะศึกดังนี้ผู้มีปัญญาควรรักษาจิตที่เห็นได้ยากยิ่งละเอียดยิ่ง ชอบไฟหาแต่อารมณ์ที่ปรารถนาเพราะจิตที่คุ้มครองแล้วย่อมนำสุขมาให้ 4. สังครคิตตะเทรวัตถุเรื่องพระสังครคิตะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสรัถานี้แก่พระสังครคิตะเทระดังนี้คนเหล่าใดสำรวมจิตที่เที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างอาศัยอยู่ในถ้า คนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร 5. จิตตหัตถะเทระวัตถุเรื่องพระจิตตหัตถะเทระพระผู้มีประภาคตรัพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งสัจธรรมมีความเลื่อมใสเลื่อนลอยย่อมไม่มีปัญญาสมบูรณ์ผู้มีจิตไม่ชุ่มด้วยราคะ ไม่ขุนโมด้วยโทสะและบุญและบาปได้แล้วมีสติตื่นอยู่ย่อมไม่มีภัย 6. ปัญจสตะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุห้ารอรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุห้าร้อรูปดังนี้ภิกษุรู้ว่าร่างกายนี้เปรียบเหมือนหม้อ ด, ดินควรป้องกันจิตนี้เหมือนป้องกันพระนคร แล้วใช้อาวุธคือปัญญารบกับมารและควรรักษาชัยชนะไว้แต่ไม่ควรยินดียึดติด 7. ปูติคัตติติสะเทระวัตถุเรื่องพระติสะเทระผู้มีร่างกายเน่าเปื่อยพระผู้มีประภาคตรัะพระคถานี้แก่พระติสะเทระผู้มีร่างกายเน่าเปื่อยดังนี้อีกไม่นานนะัก ร่างกายนี้ก็จะปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งทับถมแผ่นดินเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ฉะ น, นั้น 8. นันทะโคปาละกะวัตถุเรื่องนายนันทะผู้เลี้ยงโคพระผู้มีพระภาคตรัสรักฐานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้จิต ท, ที่ตั้งไว้ผิดพึงทำให้ได้รับความเสียหายยิ่งกว่าความเสียหายที่โจรเห็นโจร หรือผู้จองเวรเห็นผู้จองเวรจะพึงทำให้แก่กัน 9. โสเรยะวัตถุเรื่องพระโสเรยะเทระพระผู้มีประภาคตรัพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้จิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมอำนวยให้ได้ผลที่ประเสริฐยิ่งที่มารดาบิดาก็ทำให้ไม่ได้หรือแม้ญาติเราอื่นก็ให้ไม่ได้ จิตวักที่3จบ 4. ปุพวักหมวดว่าด้วยดอกไม้ 1. ปัญจสตะพิกขุวัตถุเรื่องภิกษุ500รูป พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุห้ารอรูปดังนี้ใครจะรู้แจ้งแผ่นดินนี้ยมโลกและมนุษยโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกใครจกเลือกบทธรรมที่ตถาคตแสดงไว้ดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้ผู้ชันฉลาดเลือกเหยีบดอกไม้ฉะนั้นพระเสขจะจกรู้แจ้งแผ่นดินนี้ยมโลกและมนุษยโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก พระเสกค่ะจะเลือกบทธรรมที่ตถาคตแสดงไว้ดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้ผู้ชานฉลาดเลือกเหยีบดอกไม้ฉะนั้น 2. องมรีจิกรรมฐานิกะพิขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้เจริญมรีจิกรรมฐานพระผู้มีพระภาคตรัสรัตถานี้แก่ภิกษุผู้เจริญกรรมฐานมีพยับแดดเป็นอารมณ์ดังนี้ ภิกษุผู้รู้แจ้งว่าร่างกายนี้เปรียบเหมือนฟองน้ำรู้ชัดว่าร่างกายนี้มีลักษณะดุดพยับแดดตัดพวงดอกไม้ของมารได้แล้วก็จะไปถึงสถานที่ที่มัจุราชหาไม่พบ 3. วิทูทพะวัตถุเรื่องเจ้าชายวิทูพะพระผู้มีพระภาคตรัพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ เมรุตยูย่อมฉุกรา่านรชนผู้มีใจติดข้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆผู้มัวแต่เลือกเก็บดอกไม้อยู่เหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดพาเอาชาวบ้านที่หลับไหลไปฉะนั้น 4. ปฏิปูชิ ก, กาวัตถุเรื่องนางปฏิปูชิ ก, กาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ เมรตยูย่อมทําคนที่มีใจติดข้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆผู้มัวแต่เลือกเก็บดอกไม้อยู่ผู้ไม่อิ่มในกามทั้งหลายให้ตกอยู่ในอำนาจ 5. มัชริโกสิยะเศรษฐิวัตถุเรื่องโกสิยะเศรษฐีผู้ตรณีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้พรมรไม่ทําลายดอกสีและกลิ่น ดูแต่น้ำหวานไปฉันใดมุนีพึงเที่ยวไปในหมู่บ้านฉันนั้น 6. ปาติกาชีวะกะวัตถุเรื่องอาชีวกชื่อปาติกะพระผู้มีพระภาคตรัพะคฐานี้แก่อุบาสิกาผู้รับใช้อาชีวกชื่อปาติกะดังนี้บุคคลไม่พึงใส่ใจถ้อยคำแสลงหูของคนอื่น ไม่พึงเพ่งเล็งกิจที่คนอื่นทําแล้วหรือยังไม่ได้ทําแต่พึงตรวจดูกิจที่ตนทําแล้วและยังไม่ได้ทําเท่านั้น 7. ชัตะปานิอุปาสกวัตถุเรื่องชัตะปานิอุปาสกพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่พระอาน์นเทระดังนี้ว่าจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทําตาม เหมือนดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นวาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ทําตามด้วยดีเหมือนดอกไม้งามมีทั้งสีและมีกลิ่นฉะนั้น 8. วิสาขาวัตถุเรื่องนางวิสาขาพระผู้มีพระภาคตรับพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ สัตว์ผู้มีอันจะต้องตายเมื่อเกิดมาแล้วควรสร้างกุศลไว้ให้มากเหมือนช่างดอกไม้ร้อยพวงมาลัยไว้เป็นจำนวนมากจากกองดอกไม้ฉะนั้น 9. อ น, นันทเทระวัตถุเรื่องพระอานนทเทระพระผู้มีพระภาคตรัสรัถานี้แก่พระอนนทเทระดังนี้กลิ่นดอกไม้ลอยไปทวนลมไม่ได้ กลิ่นจันกลิ่นกลิศนาหรือกลิ่นกระลำพักก็ลอยไปทวนลมไม่ได้ส่วนกลิ่นของสัตว์บุรุษลอยไปทวนลมได้เพราะสัตว์บุรุษขจรไปทั่วทุกทิศกลิ่นศีนยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นหอมเหล่านี้คือกลิ่นจันกลิ่นกลิศนากลิ่นดอกอุบลและกลิ่นดอกมะลิ10มหากัะสปะเทระวัตถุเรื่อง พระมหากสปะเทระพระผู้มีประภาคตรพระคาทานี้แข่ภิกษุทั้งหลายดังนี้กลิ่นกลิศนาหรือกลิ่นจันนี้หอมเพียงเล็กน้อยแต่กลิ่นของท่านผู้มีศีลหอมมากที่สุดหอมฟุ้งไปทั่วทั้งเทวลโลกและมนุษยีโลก 11. โคติกะเทระวัตถุเรื่องพระโคติกะเทระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้มานย่อมไม่พบทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นปกติผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ 12. ครหะทินนวัตถุเรื่องนายครหะทินพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่นายครหทินและนายศิริคุตดังนี้ ในกองขยะที่เขาทิ้งไว้ข้างทางใหญ่ยังมีดอกบัวมีกลิ่นหอมรื่นรมย์ใจเกิดขึ้นมาได้ชันใดในหมู่ปุถุชนผู้มืดมนซึ่งเปรียบได้กับกองขยะก็ยังมีสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาชันนั้นปุพพวักที่สจบ ละวหมวดว่าด้วยคนผ่าหนึ่งอัญญะตะบุริสะวัตถุเรื่องชายคนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่พระเจ้าประสิทธิโกศลและชายคนหนึ่งดังนี้ราตรีหนึ่งยาวนานสำหรับคนผู้ตื่นอยู่ระยะทางโยตหนึ่งยาวไกลสำหรับคนผู้เมื่อยล้า สังสารวัฏยาวนานสำหรับคนผ่านผู้ไม่รู้แจ้งสัตยธรรม 2. มหากัสสปะสัตธิวิหาริกะวัตถุเรื่องสัตธิวิหาริกของพระมหากัสสปะเทระพระผู้มีประภาคตรัพระฐานี้แก่ภิกษุผู้อยู่ในกรุงราชครืดังนี้หากบุคคลเที่ยวหาคนดีกว่าตนหรือเสมอกับตนไม่ได้ ก็ควรถือการเที่ยวไปคนเดียวให้มั่นคงเพราะจะหาความเป็นเพื่อนในคนพานไม่ได้เลยสามอานันทเษฐิวัตถุเรื่องอนันทเษตีพระผู้มีพระภาคตรัสรัถานี้แเ่เษฐีชื่อมูลสิริบุตรของอนันทเษตีดังนี้คนพานย่อมเดือดร้อนว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์ แท้จริงตัวตนก็ไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีแต่ที่ไหน 4. ค่ัณฑิเพธกะโจรวัตถุเรื่องโจรผู้ทําลายปมพระผู้มีพระภาคกลับระกฐานี้เกี่ยโจนผู้ทําลายป ม, ม, ป แ, าลายปมและชนทั้งหลายดังนี้คนพานที่รู้ตัวว่าเป็นคนพานยังเป็นบัณฑิตได้บ้างแต่คนพานที่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิต นั่นแหละเรียกว่าคนพานแท้ 5. อุทายิเถระวัตถุเรื่องพระอุทายเถระพระผู้มีพระภาคตรัสรักถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนพานแม้จะอยู่ใกล้บัณฑิตชั่วชีวิตก็ไม่รู้แจ้งธรรมเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงฉะนั้น 6. ป้าเถยกะภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุชาวเมืองปาถาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้วินยูชนแม้จะอยู่ใกล้บัณฑิตเพียงชั่วครู่ก็รู้แจ้งธรรมได้ฉับพลันเหมือนลิ้นรู้รสแกงฉะนั้นเจ็ดสุปาพุทธะอุติวัตถุเรื่องนายสุปาพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อน พระผู้มีพระภาคตรัสรักถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนพาลผู้มีปัญญาสามทำตนให้เป็นดุดฆ่าศึกเที่ยวทำบาปกรรมให้มีผลเผ็ดร้อน8กสกาวัตถุเรื่องชาวนาพระผู้มีพระภาคตรัสรักถานี้แก่ชาวนาคนหนึ่งดังนี้บุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนใจในภายหลัง ร้องไห้น้ำตานองหน้าสวยผลกรรมอยู่กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมไม่ดี 9. สุมาณมาลาการะวัตถุเรื่องช่างดอกไม้ชื่อสุมนะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลังอิ่มเ อ, อิบดีใจสวยผลกรรมอยู่ กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมดี 10. อุปละว น, นาเทรีวัตุเรื่องพระอุบลว น, นาเทรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผลคนพานย่อมสำคัญบาปดุดน้ำผึ้งแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพานย่อมประสบทุกข์ ชัมพุกาชีวกะวัตุเรื่องอาชีวกชื่อชัมพุกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่มหาชนชาวแคว้นอังคะและมะคตดังนี้คนพานถึงใช้ปลาหญ้าคาจิ้มอาหารกินทุกๆเดือนเขาก็ไม่ได้รับผลแห่งการปฏิบัติเช่นนั้นเท่าเสียวที่16ของผู้มีธรรมอันนับได้แล้ว 12. อาหิเปตวัตถุเรื่องเปรตผู้มีรูปร่างเหมือนงูพระผู้มีพระภาคตรับรักกถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บาปกรรมที่บุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลทันทีเหมือนน้ำนมที่รีดในวันนี้บาปกรรมนั้นจะค่อยๆเผาพลานคนผ่านเหมือนไฟที่ถูกเท่ากลบไว้ฉะนั้น 13. สัติกูตะเปตะวัตุเรื่องเปรต ถ, ถูกค้อนต่อยศีรษะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ความรู้เกิดแก่คนพานเพียงเพื่อทำลายถ่ายเดียวความรู้ของคนพานนั้นกำจัดคุณงามความดีทำปัญญาของเขาให้ตกต่ำสิบสี่สุธรรมเทรวัตถุ เรื่องพระสุธรรมเถระพระผู้มีพระภาคตรัสรัตถานี้แก่พระสุธรรมเถระดังนี้ภิกษุพานปรารถนาการยกย่องที่ตนไม่มีปรารถนาให้ภิกษุทั้งหลายตามแวดล้อมตนปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสและปรารถนาเครื่องบูชาจากชาวบ้านทั้งหลายภิกษุพานเกิดความดมฤทิว่า ขอให้ครหัสและบรรพชิตทั้งสองฝ่ายจงเข้าใจว่าเราผู้เดียวทำกิจนี้เราผู้เดียวเพิ่มมีอำนาจในการงานไม่ว่ากิจการใหญ่หรือเล็กความริษยาและความถือตัวจึงเกิดพ่อภูนขึ้น 15. วณวาสีติสะเทระวัตถุเรื่องพระวณวาสีติสะเทระ พระผู้มีพระภาคตรัสรัตถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ได้ลาบเป็นอย่างหนึ่งข้อปฏิบัติที่ให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ชัดข้อปฏิบัติทั้งสองนี้แล้วไม่พึงยินดีสักการะแต่พึงเพิ่มพูนวิเวกให้ต่อเนื่องภาลวัคที่หจบ กันทิตะวักหมวดว่าด้วยบัณฑิตหนึ่งราธเทระวัตถุเรื่องพระราธเทระพระผู้มีพระภาคตรัพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญามักชี้โทษมักพูดปรามไว้เหมือนผู้ชี้บอกขุมทรัพย์และพึงครบผู้ที่เป็นบัณฑิตเช่นนั้น เพราะเมื่อคบคนเช่นนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลย 2. องอัสชิปุณณภสุกะวัตถุเรื่องพระอัสชิและพระปุณณภสุกะพระผู้มีพระภาคตรัพระคฐานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดพึงกล่าวสอนพร่ำสอนและห้ามจากความชั่วผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของสัตว์ปุรุษทั้งหลาย แต่ไม่เป็นที่รักของอสัตว์ปุรุษทั้งหลาย 3. ามช น, นะเทระวัตถุเรื่องพระช น, นะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลไม่พึงคบมิชัวไม่พึงคบคนต่ำช้าพึงคบแต่กัลยาณมิตรพึงคบแต่สัตว์ปุรุษ 4. มหากัปปินะเทระวัตถุ เรื่องพระมหากัปปินะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานีแ้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใส ย, ย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยะประกาศแล้วทุกเมื่อห้าปันทิตะสามเณรวัตถุเรื่องบัณฑิตสามเณร พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนไขน้ำย่อมไขน้ำช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างไม้ย่อมถากไม้บัณฑิต ย, ย่อมฝึกตน 6. ละกุลทกะพัทธิยะเทระวัตถุเรื่องพระละกุลทกะพัทิยะเทระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้เขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบย่อมไม่เสะเทือนเพราะลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่วันไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญฉันนั้น 7. กาณมาตาวัตถุเรื่องมารดาของนางกานาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ บัณฑิต ท, ทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสดูดห่วงน้าที่ลึกใสสะอาดไม่ขุนมัวฉะนั้น 8. ปัญจสตภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุห้าร้อยรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้สัตว์ุรุททั้งหลายย่อมเว้นในธรรมทั้งปวงสัตว์ุรุษทั้งหลายย่อมไม่พร่ำเพอเพราะกรรมคุณเป็นเหตุ บัณฑิตทั้งหลายจะประสบสุขหรือทุกข์ย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง 9. ธรรมิกะเทระวัตถุเรื่องพระธรมิกะเถระพระผู้มีพระภาคตรัพระคถทานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บัณฑิตย่อมไม่ทําบาปเพราะตนเป็นเหตุหรือเพราะผู้อื่นเป็นเหตุบุคคลไม่พึงปราถนาบุตรซับแวนแคว้น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 ส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบชนเหล่านั้นจะข้ามพ้นวัตตะอันเป็นบ่วงมานที่ข้ามได้แสนยากไปถึงฝั่งโน้นได้ 11. ปัญจสตะอคันตุกะภิขุวัตถุเรื่องภิกษุอคันตุกะห้าร้อรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุอคันตุกะ ผู้อยู่ในแคว้งโกศลดังนี้บัณฑิตละธรรมดำแล้วพึงเจริญธรรมขาวออกจากวัตตะมาสู่วิวัฏฏะละกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวลพึงปรารถนายินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้ยากยิ่งพึงชําระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้ามองแห่งจิตทั้งหลายบัณฑิตเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบ ในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลายไม่ถือมัน่นยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมัน่นบัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกปั้นที่ตะวักที่หจบ พระอรหันตวักหมวดว่าด้วยพระอรหันต์ 1. ชีวะกะวัตุเรื่องหมอชีวกพระผู้มีประภาคกรับรักฐานี้แก่หมอชีวกดังนี้ผู้บรรลุจุดหมายปลายทางแล้วไร้ความโศกหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงและกิเลสเครื่องร้อยรัดได้หมดย่อมไม่มีความเร่าร้อนสอง มหากัสปะเทรวัตถุเรื่องพระมหากัสปะเทระพระผู้มีประภาครรากระพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้มีสติมันประกอบความเพียรไม่ติดในที่อยู่และความห่วงอาลัยไปเหมือนหงและเปลือกตมไปฉะนั้นสเพลทฐศีสะเทรวัตถุเรื่อง พระเพรทะศีสะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสราตนานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่มีการสั่งสมกำหนดรู้อาหารก่อนแล้วจึงบริโภคมีสุญเตาวิโมกขและอนิมิตตะวิโมกขเป็นอารมณ์ไม่ทิ้งทางไว้ให้เป็นที่รู้ได้เหมือนนกไม่ทิ้งทางไว้ในอากาศฉะนั้น 4. อนุรุธทธะเทระวัตถุ เรื่องพระอนุรุทธะเทระพระผู้มีประภาคตรัพรคาานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ท่านผู้สิ้นอาสวะแล้วไม่ติดในอาหารมีสุญเตาวิโมกและอนิมิตาวิโมกเป็นอารมณ์ไม่ทิ้งร่องรอยไว้ให้เป็นที่รู้ได้เหมือนนกไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในอากาศฉะนั้น 5. มหากัจจายนะเทระวัตถุเรื่อง พระมหากัจจายนะเทระพระผู้มีพระภาคกรับรักฐานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดฝึกอินทรีย์ให้สงบได้เหมือนม้าที่นายสารถีฝึกดีแล้วผู้นั้นย่อมละมานะได้ไม่มีอานสวะคงที่แม้ทวยเทพทั้งหลายก็รักใคร่หกสารีบุตรเทระวัตถุเรื่องพระสารีบุตรเทระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุผู้คงที่มีวัดงามไม่ยินดียินร้ายเสมอด้วยแผ่นดินเปรียบด้วยเสาเขื่อนมีใจผ่องใสเหมือนห้วงน้ำไร้เปลือกตมสังสารวัตย่อมไม่มีแก่ผู้เช่นนั้นเจ็ดโกสัมพีวาสีติสะเถระสัมเนระวัตถุเรื่อง สามเณรของพระติสเถระชาวเมืองโกสัมพีพระผู้มีพระภาคตรัสรัคถานี้แก่พระติสเถระชาวเมืองโกสัมพีดังนี้ผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบผู้สงบผู้คงที่ย่อมมีมนโนกรรมที่สงบวจีกรรมที่สงบกายกรรมที่สงบ 8. สารีบุตรเถระวัตถุเรื่องพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แกพิกษุผู้อยู่ในป่า30รูปดังนี้นรชนใดผู้ไม่ต้องเชื่อใครรู้จักนิพพานที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้ตัดรอยต่อแห่งการเกิดใหม่ทำลายโอกาสแห่งการท่องเที่ยวไปในสงสารคลายความหวังแล้วนรชนนั้นแหลเป็นบุรุษสูงสุดกล่าว คธิระวนิยะเรวัตเถระวัตถุเรื่องพระเรวัตเถระผู้อยู่ในป่าไม้ตะเคียนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่นางวิสาขามิคารมาตาดังนี้พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่สถานที่ใดคือจะเป็นบ้านก็ตามป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามสถานที่นั้นเป็นรมณียสถาน สอัญญะตริตถีวัตถุเรื่องหญิงคนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้ท่านผู้ปราศจากราคะทั้งหลายจะยินดีป่าทั้งหลายอันน่ารื่นรมที่ชนผู้สแสวงหากรมไม่ยินดีเพราะท่านเหล่านั้นไม่สแสวงหากรมอรหันตวัคที่เจ็จบ สหัสวรหมวดว่าด้วยหนึ่งในร้อยในพันหนึ่งตามปธัาธิกะโจระคาตะกะวัตถุเรื่องเพชฆ่าโจรคราวแดงพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คำพูดที่มีประโยชน์คำเดียวที่คนฟังแล้วสงบระงับได้ย่อมดีกว่าคำพูดที่ไรประโยชน์ตั้งพันคำ 2. พาหิยะทารุจิริยะเทระวัตถุเรื่องพระพาหิยะทารุจิริยะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คาถาที่มีประโยชน์คาถาเดียวที่คนฟังแล้วสงบระงับได้ย่อมดีกว่าคาถาที่ไรประโยชน์ตั้งพันาาาคาถา 3. ากุลทนเกสีเทรีวัตถุ เรื่องพระกุณฑลเกษีเทรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ธรรมะบทหนึ่งที่คนฟังแล้วสงบระงับได้ย่อมดีกว่าคาถาที่ไร้ประโยชน์ตั้งร้อยคาถาผู้ชนะค่าศึกจำนวนพันคูณด้วยพันในสงครามหาชื่อว่าผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมไม่แต่ผู้ชนะตนได้จึงชื่อว่า ผู้ชนะที่ยอดเยี่ยม 4. อ่อณัตถาปุจจะพรามณวัตถุเรื่องอณัตถาปุจกะพรามพระผู้มีพระภาคตรัพยคฐานี้แก่พรามดังนี้การชนะตนของบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วประพฤติสำรวมเป็นนิดนั่นแลประเสริฐกว่าการชนะผู้อื่นเทวดาคนทันมานหรือพรหม ไม่อาจทาชัยชนะของบุคคลเช่นนั้นให้กลับแพ้ได้เลย 5. สารีบุตรเถระมาตุลพราหมณวัตถุเรื่องพราหมู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระดังนี้การบูชาของบุคคลผู้บูชาท่านที่อบรมตนดีแล้วคนเดียวแม้เพียงครู่เดียว ประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชายัญด้วยทซั์จํานวนพันกระหาปปณะทุกๆเดือนตลอดร้อยปี 6. สารีบุตรเทระภาคิเนยวัตถุเรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเทระพระผู้มีพระภาคตรัสระัถานี้แก่พราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเทระดังนี้ การบูชาของบุคคลผู้บูชาท่านที่อบรมตนดีแล้วคนเดียวแม้เพียงครู่เดียวประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชาไฟในป่าเป็นเวลาร้อยปี 7. สารีบุตรเถระสหายกะพราหมณนวัตถุเรื่องพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนของพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสระตนานี้แก่พราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนของพระสารีบุตรเทระดังนี้การไหว้ท่านผู้ปฏิบัติตรงประเสริฐกว่าการบูชายัญและการบวงสวงใดๆในโลกที่ผู้หวังบุญทําอยู่ตลอดปีเพราะการบูชายัญและการบวงสวงทั้งหมดนั้นมีค่าไม่ถึงหนึ่งในส 8. อายุวัฒนกุมารวัตถุเรื่อง อายุวัฒนกุมารพระผู้มีพระภาคตรัพระคาถานี้แก่อายุวัฒนกุมารและอุบาสกห0 0รคนดังนี้ทรามสี่ประการคืออายุวันนสุขะพละย่อมเจริญแก่ผู้กราบไหว้ผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิด 9. าสังคิจจะส ม, มนเนรวัตถุเรื่องสังคิจจะส ม, มนเนร พระผู้มีพระภาคตรัพระถานี้แก่ภิกษุห0 0รอรูปดังนี้ผู้มีศีลเพ่งพินิชแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าคนทุศีลไม่มีจิตตั้งมั่นที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี 10. ขานุโกนทัญญเทระวัตถุเรื่องพระขานุโกนทัญญเทระพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่ภิกษุหอยรูป ผู้เป็นสิทธิ์พระคานโนโกลทัญญะเทระดังนี้ผู้มีปัญญาเพ่งพินิษแม้มีชีวิตยอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้มีปัญญาสามไม่มีจิตตั้งมั่นที่มีชีวิตยอยู่ตั้งร้อยปี 11. สัปปทาสะเทระวัตถุเรื่องพระสัปปทาสะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ ผู้มีความเพียรมั่นคงแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ขยี้คร้านไม่มีความเพียรที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี 12. ปตาจาราเทรีวัตุเรื่องพระประตาจาราเทรีพระผู้มีพระภาคปรับพระกาถานี้แก่พระประตาจาราเทรีดังนี้ผู้เห็นความเกิดและความดับ แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้มีเห็นความเกิดและความดับที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีสิบามกิสาโคตมีวัตถุเรื่องนางกิสาโคตมีพระผู้มีพระภาคตรัพระคาถานี้แก่นางกิสาโค ต, ม, ม, ค ต, โคตมีดังนี้ผู้เห็นทางอมตะแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้มีเห็นทางอมตะ ที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี 14. พระหุบุติการเทรีวัตุเรื่องพระพระหุบุติการเทรีพระผู้มีประภาคตรพระคทานี้แก่พระพระหุบุติการเทรีดังนี้ผู้เห็นธรรมอันสูงสุดแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นธรรมอันสูงสุดที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี สหัสวรรษที่8ดจบ